เรื่องเล่าผีหลอนตอนแท็กซี่ผีสิงเรื่องนี้แม้จะผ่านมานานหลายปีแล้วแต่เจ้าของเรื่องก็ยังไม่ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันยังตามหลอกหลอนมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องมีอยู่ว่าผมยังจำได้ในปีที่ถือว่าชีวิตของผมตกต่ำสุดขีด ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจอย่างหนักต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศหลายบริษัทประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลงสถาบันการเงินที่ผมทำงานอยู่ก็พลอยโดนหางเลขไปด้วยผมและเพื่อนๆ อ, อีกหลายร้อยคนต้องกลายเป็นคนตกงานโดยที่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลย เพื่อนๆของผมบางคนทำใจไม่ได้กับชีวิตที่พลิกผันขนาดนั้นและที่แย่ไปกว่านั้นพวกเขายังมีครอบครัวที่ต้องดูแลส่งเสียเงินทองพอไม่มีรายได้ขึ้นมาก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครซึ่งผมเองก็ยังต้องรับผิดชอบชีวิตเมียและลูกอีกสองคนจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มากมายนะัก ผมยังโชคดีที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแต่มันคงช่วยประทังชีวิตครอบครัวของผมไปได้อีกไม่นานเพราะลูกทั้งสองคนของผมก็ยังต้องเรียนหนังสือในจะค่าเทอมค่าหนังสือหนังหาอุปกรณ์การเรียนอีกตั้งมากมายยังไม่รวมค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟที่ผมเป็นผู้รับภาระอยู่เพียงคนเดียว เนื่องจากภรรยาของผมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงผมจึงไม่อยากให้เธอออกไปทำงานหนักแค่คิดขึ้นมาผมก็เริ่มปวดหัวแล้วครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าเงินเก็บหมดผมจะหาเงินที่ไหนมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านต่อไปแถมตอนนั้นผมก็ยังหางานทำไม่ได้แม้จะออกเดินสมัครงานเกือบทุกวัน แต่ก็ไม่มีบริษัทไหนยอมรับผมเข้าทำงานเลยจนวันหนึ่งผมเดินผ่านหน้าอูซ่อมแท็กซี่ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าผมน่าจะลองมาขับแท็กซี่ดูเพื่อจะหาเงินเข้าบ้านได้บางเพราะความรู้อย่างอื่นผมก็ไม่มีนอกจากวิชาการบัญชีที่ร่ำเรียนมานอกนั้นที่ผมพอจะทำได้ ก็คือการขับรถนี่แหละครับเมื่อคิดได้ดังนั้นผมก็เลยไปปรึกษาภรรยาซึ่งผมรู้ว่าเธอจะต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นมากนักหลังจากบอกกล่าวภรรยาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจึงออกไปหาเช่ารถแท็กซี่มาขับพอดีมีคนข้างบ้านเขาเคยขับแท็กซี่มา ก, ก่อน เขาจึงแนะนำให้ผมไปเช่ารถที่อูเสียโชคโดยให้บอกว่าเขาแนะนำมาผมจึงทำตามที่เขาบอกซึ่งพอเสียโชครู้ว่าใครแนะนำมาแกก็เลยเริ่มไว้ใจผมมากขึ้นและตกลงให้ผมเช่ารถมาขับโดยผมต้องเสียเงินประกันให้แกจำนวนหนึ่งช่วงแรก ผมต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่หลังพวงมาลัยทั้งวันกว่าจะได้เงินพอค่าเช่ารถและค่าน้ํามันส่วนที่เหลือก็เป็นรายได้ซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่พอส่งรถตามกะแล้วผมก็กลับบ้านนอนเป็นอย่างนี้ประจําทุกวันต่อมาผมเห็นว่าขับรถเพียงกะเดียวรายได้ยังไม่เพียงพอจึงเพิ่มเป็นสองกะ ทั้งกลางวันและกลางคืนเพียงแค่คืนแรกผมก็ถูกต้อนรับน้องใหม่ซะแล้วครับหรือเรียกง่ายๆว่าเจอดียังไงล่ะขณะที่ผมกำลังขับรถตะเวนหาผู้โดยสารอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะ ก, กันดังแว่วมาจากเบาะหลังผมเลยหันไปมองก็ไม่เห็นมีใคร เจอแต่บาะที่ว่างเปล่าถ้าเห็นก็คงจะแปลกล่ะครับก็ผมยังไม่ได้รับผู้โดยสารขึ้นมาบนรถเลยแม้แต่คนเดียวแล้วจะไปเห็นใครได้ยังไงรถก็มาติดไฟแดงตรงสี่แยกอสอมทเสียงนั้นก็เงียบไปแต่ทันทีที่ผมเร่งเครื่องเตรียมออกรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟเขียว เสียงทะเลาะกันก็ดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ขึ้นมาอีกคราวนี้ผมชักใจไม่ดีแล้วครับจึงค่อยๆชำเลืองมองทางกระจกสองหลังก็ยังไม่เห็นใครอยู่ดีจะว่าเป็นเสียงจากวิทยุผมก็ไม่ได้เปิดวิทยุแล้วเสียงนั้นมันดังมาจากไหนกันละ่ะที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเวลาผ่านมาจนจะเที่ยงคืนอยู่แล้ว ผมยังไม่ได้พูดโดยสารเลยสักคนผมก็พยายามสอดสายสายตามองตลอดสองข้างทางแล้วพอมองเห็นคนที่ทำท่าเหมือนจะยืนรอแท็กซี่อยู่ผมก็รีบโฉบเข้าไปใกล้ทันทีแต่พอไปถึงผู้โดยสารก็ไม่ยอมโบกมือเรียกตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะสัญญาณไฟว่างหน้ารถเราเสียหรือเปล่า แต่พอลงไปดูแล้วมันก็ยังทำงานได้ปกติแต่ถึงอย่างไรผมก็ไม่ละความพยายามนึกในใจว่าเราคงไม่โชคร้ายสถทีเดียวหรอกว่าแล้วผมก็ลองขับไปแถวถนนพระราม9ก้าดูเพราะแถวนั้นมีสถานบริการที่เปิดตอนกลางคืนอยู่มากมายเพื่อจะได้ผูดด้โดยสารบ้างแล้วก็เป็นจริงดังคาด มีผู้โดยสารวัยรุ่นชายหญิงสามคนเรียกให้ผมไปส่งแถวถนนสุขาพิบาลซึ่งในซอยนั้นมันก็ค่อนข้างเปลี่ยวแต่คงเพราะผมเห็นแก่เงินก็เลยยอมส่วนอีกใจหนึ่งก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกหลังจากส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วขณะที่ผมกำลังจะวนรถกลับท่านใดนั้น ผมก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันมีเสียงคนร้องครวญครางโดยความเจ็บปวดดังแทรกขึ้นมาด้วยเสียงนั้นเล่นเอาผมขวัญผวาไปเลยครับแต่ก็ยังทำใจดีสู้เสืออยู่ผมค่อยๆชํำเลืองมองไปทางกระจกซองหลังคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าผมเห็นอะไรผมเห็นผู้ชายสามคน นั่งอยู่ที่เบาะหลังรถคนที่นั่งกลางนั่งแน่นิ่งไม่ไหวติง้งมีเลือดเปเื้อนเต็มตัวไปหมดโดยมีผู้ชายอีกสองคนนั่งขนาบข้างและช่วยกันจับตัวเขาไว้โดยคนทางขวาในมือเขาถือมีดอยู่ด้วยก่อนที่เขาจะค่อยๆหันหน้ามายิ้มให้ผมอย่างช้าๆส่วนผมก็นั่งค้างตัวสั่น ด้วยความตกใจกลัวแต่ผมก็ยังพอมีสติอยู่นิดหน่อยผมจึงก้มลงไปหยิบสร้อยพระของหลวงปู่ทวดที่ผมนับถืออยู่ขึ้นมาคล้องคอจากนั้นก็เริ่มต้นสวดมนต์ท่องนมโมอยู่หลายจบก็ยอมรับแหละครับว่าตอนนั้นท่องไม่ได้รู้เรื่องเลยปากคอสั่นไปหมดแต่ก็ดูเหมือนจะได้ผล เพราะพอผมเงยหน้าขึ้นมาอีกทีชายหนุ่มทั้งสามคนก็หายไปแล้วครับแต่เพื่อความแน่ใจผมก็เลยหันไปดูอีกทีและก็สำรวจอย่างท้่นทีทั้งบริเวณบนเบาและใต้เบาว่าไม่มีใครซ่อนตัวอยู่แน่ๆนึกแล้วก็ยังขำทั้งที่ผมรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่มันไม่ใช่คนอย่างแน่นอน แต่มันเป็นผีแล้วผีที่ไหนมันจะไปซ่อนอยู่ใต้เบาะรถกันล่ะครับพอเริ่มหายกลัวลงไปบ้างผมก็รีบนำรถไปคืนอู่ทันทีทั้งที่ยังไม่หมดกะเสียโชคแกคงงงเลยถามว่าทำไมผมถึงรีบเอารถมาส่งผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆให้แกฟัง แล้วก็อดถามแกต่อไปไม่ได้ว่ารถคันนี้มีประวัติไม่ดีหรือเปล่าก็ดูเหมือนเสียโชคแกจะอั้ำอึงไม่ยอมบอกอะไรครับแถมยังไล่ให้ผมรีบกลับบ้านอีกด้วยพอเช้าผมก็ไม่ได้ไปขับรถแต่รีบไปหาคนขับแท็กซี่ที่อยู่ข้างบ้านและก็เล่าเรื่องสยองขวัญ ที่ผมเพิ่งเจอมาให้แกฟังแล้วก็ถามว่าแกเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าตอนแรกแกก็บอกว่าไม่เคยแต่สักพักแกคงนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่แกยังขับแท็กซี่อยู่นั้นก็มีข่าวออกมาว่าเคยมีคนเชารถแท็กซี่ของอูเสียโชคไปขับ โดยรับผู้โดยสารวัยรุ่นสาคนจากแถวถนนรัชดาไปส่งแถวถนนสุขาพิบาลบริเวณเดียวกับที่ผมเจอดีเข้านั่นแหละครับตอนแรกคนขับก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะรู้สึกกลัวๆขึ้นมายังไงไม่รู้ยิ่งผู้โดยสารมากันสมคนหน้าตาก็ไม่น่าไว้วางใจแต่เพราะแกวิ่งรถมานานยังไม่มีผู้โดยสาร ก็เลยยอมไปพอเริ่มออกรถไปได้ไม่เท่าไรไวัยรุ่นทั้งสามคนก็เริ่มทะเลาะกันเสียงดังคนขับแกก็ได้ยินว่าเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่แหละครับแต่แกก็ทำเป็นไม่สนใจสักพักก็เริ่มมีเสียงทุบต่อยกันไม่ทันไรแกก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยดังขึ้นมาซึ่งแกก็ระวังตัวอยู่แล้ว จึงเหยียบเบรกจอดรถทันทีแต่ก็ยังไม่วายหันไปมองก็เห็นชายหนุ่มคนที่นั่งตรงกลางถูกเพื่อนอีกสองคนใช้มีดแทงเข้าที่ลำตัวเลือดสาดเต็มเบาะคราวนี้คนขับแกรี่เปิดประตูเพนแนบออกมาจากรถทันทีโชคดีที่มีรถสายตรวจผ่านมาแกก็เลยโบกมือเรียกและเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง พร้อมพาไปดูที่เกิดเหตุแต่ก็พบแค่ร่างไร้วิญญาณของเด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายนอนตายจมกองเลือดอยู่ส่วนเพื่อนอีกสองคนหลบหนีไปได้รถแท็กซี่คันนั้นก็เลยถูกยึดไปเป็นหลักฐานประกอบคดีอยู่นานเป็นเดือนพอหมดคดีเสียโชคแกก็เลยไปรับรถคืนและเอามาทำความสะอาดสมดจด นำกลับมาให้เช่าตามเดิมแต่คนที่รู้ประวัติของรถคันนี้ดีก็ไม่มีใครยอมเช่าไปขับมีอยู่คนหนึ่งคงไม่รู้เรื่องมาขอเช่าไปขับแค่คืนเดียวก็เอามาคืนเขาบอกว่าขับไปขับมาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาจากเบาหลังเขาก็เลยไปเช่ารถจากอูอื่นแทนรถแท็กซี่คันนั้น ก็เลยจอดอยู่เฉยๆกลายเป็นแท็กซี่ผีสิงที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซึ่งเพื่อนบ้านของผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้รถคันเดียวกับที่ผมเช่าไปขับหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าต้องใช้รถคันนั้นอย่างแน่นอนเพราะผมรู้อย่างนี้ก็เลยไปขอเงินประกันจากเสียโชคคืน แล้วก็สัญญากับตัวเองว่าจะบอกลาอาชีพคนขับแท็กซี่ไปจนวันตายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืมกด Subscribe ช่อง